4. นิสสักคิยกันจำนวนอาบัตในนิสสักคิยกัน 1. กถทีนวัคหนปฐมกถิทนสิกขาบท162ิภิกษุทรงอติเรกจีวรไว้เกินสิบวันต้องอาบัตหนึ่งอย่างคือนิสสัคิยปาจิตตี 2. ออุทโทสิตะสิกขาบท ภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรสิ้นราตรีหนึ่งต้องอาบัติหนึ่งอย่างคือนิสักียะปาจิตตี 3. ตติยกักถินสิกขาบทภิกษุรับผ้าที่เป็นอาการละจีวรแล้วเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนต้องอาบัติหนึ่งอย่างคือนิสักียะปาจิตตีสี่ ปุราณจีวรสิกขาบทภิกษุใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซักจีวรเก่าต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ใช้ให้ซักต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อให้ซักเสร็จแล้วต้องอาบัตนิสักคียะปาจิตตี 5. จีวรปฏิกขหาณศสิกขาบทภิษุ รับจีวรจากมือของภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อรับจีวรแล้วต้องอาบัตนิสักคียะปาจิตติ 6. อัญญาตกะวินยติสิกขาบทภิกษุออกปากขอจีวรจากขรรคชายหรือขรรคหญิงผู้ไม่ใช่ญาติ ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ออกปากขอต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อออกปากขอได้มาแล้วต้องอาบัตนิสักคียะปาจิตตี 7. ตะตุตริสิกขาบทภิกษุออกปากขอจีวรเกินกว่านั้นจากคฤหัตชายหรือคฤหัตหญิงผู้ไม่ใช่ญาติ ต้องอาบัตสองอย่างคือออกปาขอต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อออกปาขอได้มาแล้วต้องอาบัตนิสักคยะปาจิตตีแอุปัคขะตศิขาบทภิกษุผู้ซึ่งเขาไม่ได้ปรวรณาไว้ก่อนเข้าไปหาคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติแล้วกำหนดชนิดจีวร ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำหนดต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อกำหนดแล้วต้องอาบัตนิสักคยะปาจิตตีเ 9. ้ทุติยะอุปัคตะสิกขาบทภิกษุผู้ซึ่งเขาไม่ได้ปรวรณาไว้ก่อนเข้าไปหาครือหัดผู้ไม่ใช่ญาติแล้วกำหนดจีวรต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํ่กำหนดต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อกำหนดแล้วต้องอาบัตนิสักคียปาจิตตีสิบราชาศิขาบทภิกษุให้เขาจัดจีวรสำเร็จได้ด้วยการทวงเกินสามครั้งยืนเกินหกครั้งต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ให้เขาจัดสำเร็จต้องอาบัตทุกกฎ เพราะพยายาม 2. เมื่อให้เขาจัดสําเร็จแล้วต้องอาบัตินิสักคียะปาจิตติกะทินวัตรที่หนึ่งจบ